จากนี้ไปกำลังแข็งแรงจากเป็นเฉลียวในระหว่างปูกดอกไปกำของสมุงก็ถึงพอเาถึงเราจะมีรอยพรบาือ่าเป็นรอยหนุนที่นี่เรากว่าให้ตั้งใจมหาเอออย่างนี้หรือตั้งใจมหาอะไรพระาถ้าอย่างนี้ก็อยู่บ้านของสมันมีว่าเออเรือมันช่วยเกิมมาจึิงจเออ ที่เขาสมมุติ่าเป็นงเราถ้าบาทรนั่ก็จะบุญซึ่งถ้าเขาเห็นเงียบลอย ม, า, ม, ม า, ยาเข า, เาก็จะเขาตีสมัยอ่ะสมไม่ได้พาเรามาสัดาออกมาเข้ากาศเพราะว่ายังก็เป็นบุญซึ่งจะปวดเอี่ัขขนเป็นการมาเขาจะรับ ส, ส, สมบัติของเขาเอาลูกน้องพองน้องมาด้วยเอาเกิดเอาแเอาเก็เเก บ, เ อ, เ, กบเอาตายมาด้วยเคย ม, มาเขามันจะมาเฉย เอาเกิดแก่เก็บตายมาด้วยเอาเกิดแก่เก็บตายมาอวดกันในโลกด้วยใคยมาเกิดก็มาใช่นี่ของตนใช่นี่โรคขี้โกรธนี่หลงของตนแต่ใช่นี่โลคโกรธหลงของตนยังมันจบจำเป็นก็ต้องเลยมาเกิดแก่เก็บตายอย่างนั้นใครมาก็มาเองใคยไปก็ไปเอง กรรมวินาทิโรโกโสอนโลกเขย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนเครทำบนน้อยก็ได้ไปในน้อยใครทํำมากก็ได้ไปมากบาทตรงเหกันนักขวนนิพพานก็เช่นกันทมคําสอนแต่ระบทตบาลส่ตงต่อพระนนิพพานทั้งนั้น ที่มันไม่ส่งต่อพระเนรพลมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่นานปุเรชาติกัจจะโยนั่นเองปุเพจักตะปุญญตาบุคคลผู้ได้ทําความดีไว้ในปางก่อนนั่นเองทําแต่ละวัฏละบาทส่งต่อพระเนรพลหมดมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณากับสติปัญญาของแต่ละท่า น, นท่าน การถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันไม่ยากถ้าหากว่าเราเชื่อว่าศรัทธาเชื่อถึงทุกคนเชื่อเชื่อว่าพระมีใดั้งเชื่อในตัวเป็นต้นเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทก็คือถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้ า, ากว่าเชื่อว่าคําสอนใดใดในใจรกราคาไม่เส ม, มอเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นก็เป็นพอแล้ว เราเรื่มใส่แนวพุทธศาสนาถ้าว่ารัฐที่อื่นๆจะดีเด่นกว่ารัฐที่พระพุทธศาสนาแล้วการถึงพระพุทธศาสนามันก็ไม่เต็มภูมิเมื่อการถึงพระพุทธศาสนาถึงพระพุทธรธรรมพระสงค์ไม่เต็มภูมิแล้วจะได้มาผลไม้พานมาจากประตูไหนเราหนักหนักนักอันนีชัดชีเท็จไม่ให้ศีลศาสนาอื่นถ้าศีลศาสนาอื่นมาปนปนกันก็ไม่ใกล้จุปฏิบันโน พูดถึงจุกจิตปโนแล้วก็ไม่ต้องถือศาสด า, าอื่นมาบนคือกับหัวใจเลยนะจะยืนเดินนั่งนอนชัำดื่มด้วยสติหายประตามก็ไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวแล้วผู้ไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวก็คือพุทธชน ค, นคนหนาเราดีๆนี่เองนะจะยืนเดินนั่งนอนภาวนาสติหายประจาวก็ไม่ถึงของสัยวรัสติอืน่นหรือศาสดาอื่นยิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเลย การถือพระพุทธธรรมพระสงค์ก็เป็นโมฆะไปในตัวจะปฏิบัติเดดเียวสักเพียงเล็ก็ตาเพราะนี่สาคัญมากเหตุฉะนั้นอาลาญาบทตุทธกาญาบุตรกามบุตรภาวนาจนถึงเมื่อวัชยานาชัญญาจตระก็ยังเป็นพุติชนคนหาอยู่เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าจนนักที่อื่นมาแข่งดีสรุพุทธศาสนาอยู่อันนี้ควรคิด การดื่มการกินการสั่พระบรามาสากนสอนแล้วเมื่อเีิทางที่จะบกปรองการเดินเนินนั่งนอนก็เหมือนกันการทมาคาเลี้ยงชีพก็เหมือนกันพระบ่าวรามาสดาสอนแล้ววันนี้มูลเลยตั้งทั้งศักดิ์ยันฉนังเจวระปริปนังบริปุทังพมจายางปะกาเสือสิประการแล้วบริบูรณ์เลยั้งอัตถะตั้งศักดยันฉะนับริบูรณ์ทิ้งเถื่อนเล สามขังพระกวันตังอภิภูษยามิสามขังพระกวันตังศีรษะานาวาผู้เราเชื่อใยอมกราบว่าไม่ได้กลราบว่าเพื่อความาวตื่งข่าวสามขังคำมานก็เหมือนกันสามขังสันตังก็เหมือนกันพุโทโธอยู่ที่ใดคำโธก็อยู่ที่ในสังโธก็อยู่ที่นั่นเพเป็นเสื้อสามผีพวพูดถึงพระพุทธระธรรมพสงฆ์เป็นคณะไม่ใช่คนง่ายเออ ถ้าเวลนี้แต่ต้ามาแล้วผู้ใดเชื่อคําสอนของพุทธศาสนาปัญหาของผู้นั้นก็ไม่มีมากที่ปัญหาไม่มากเพราะไม่เชื่อคําสอนของพุทธศาสนาเชื่อนวบายจะมุกทุกประเภทถ้าทําไปร่วมเกินกันเขาเรียกว่าไม่เชื่อคําสอนของพุทธศาสนาคําสอนของพุทธศาสนาสอนให้เอ้นแต่พวกเรากับใจฝืนทำแต่ว่าพุโทโธอยู่เพราะพุโทโธแต่ฝังแต่ลมฝัง พุโทโธลมพุโทโธแรงแต่เฉพาะตนบางครั้งสาวว่าผู้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนั้นมันเป็นโลภีนะับมันก็เป็นโลภีสิเพราะปัญญาของเราไม่เป็นโลภุตะมันก็เป็นโลภีหมดเราจะว่าห็นิพพานในความกับเพียงไหนมันก็เป็นนิเพิร์นอยู่ในตัวนั่นเองเราจะว่าชุบเจตันโนกับเพียงใดพรตามันก็ไม่ใช่ชุบเจตันโน พอปฏิบัติเสร็จพอซื้อสาระอื่นมาบนตืนอยู่พวกเสือกด็ดียามดีก็ดีพวกเสือก็เสือลานก็ดีพวกเหล่านี้ยังไม่ถึงโลกุตระกิจเนอ ะ, อะยังเป็นโลภิยัสติพวกโลภิยัสติไม่แน่นอนเนอะบางทีก็ไปสว่างบางทีก็ไป แล้วับางทีก็ไปสัตว์ศีลสายบางคือก็อไปเป็นเปรตอสุรากายเนะพราะมันมีหลายบางทีมันไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่สุปฏิปันุเนท่า น, นั้นสุปฏิปันุนคือไม่เสียดายอยากร่วงแล้วเมืดอเส้นห้าไม่เสียดายอยากถือศาสตราเหรียนมาเป็นเรือกันไม่เสียดายอยากจะเล่นอบายมุขทุกประเภท ดูไปเจอมโนไม่ใช่ได้เลยแม่แนิดเดียเวยเหมือนนาลายสี่วนทิ้งที่วุ่นทิ้งวุ่นแล้วไม่ใช่ได้อยากเอาคืนมาเลยถ้ายังถือว่าอาวายมุขสุกประเภทมันจะพาให้เจริญถาวรในทับศินถ้าเข้าใจสิทธอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธโธก็ไม่ใช่คำโมก็ไม่ใช่สังโฆ พระบรมศาสด า, าไม่ทรงสรรเสริญไม่ทรงรับรองด้วยคำสอนแต่ละบทแต่ละบาของพระพุทธศาสน า, าเป็นโลกุตะทั้งนั้นที่เป็นโลกีก็พระเอาคำสอนอื่นๆมาปนปรือดันกับคำสอนของพระพุทธศาสน า, าเหตุนั้นพระบรมศาสดา จึงยืนยันในมหาปฏิพันธ์ธนสูตรว่าศาสนาอื่นจะปฏิบัติดีปฏิบัติเคร่งจากยงใดก็าตามก็ไม่สามารถถึงสุปฏิปันโนอุจุก ย, ยะสามนสิทิได้เพราะเหตุใดล่ะเ็ราเพราะเหตุว่าศาสนาอื่นๆนั้นตัวของเขาแท้เขาก็เป็นโลกีเราอยู่ดีนี่เองเพราะเขาหนักไปในทางวัตถุนิยม วัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังเกิดขึ้นแนบแปลบวนและแดกสลายข้างพุทธการเวลยองค์ท่านเทศท่านก็ไม่ได้ตัางนักโมตักจ่าหัวโตอันนั้นนี่หรอกเขาลบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วพระทัานก็เทศเลยแต่เรามาปลูกกันใหม่ดอกนักรมก็แปลว่านอมน้อมถ้าน้อมด้วยกายวาจาใจในพุทธธรรมประสงค์อยู่ ก็เรียกว่าสร้างนโมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมโนภพังขมาธามามโนเสชาโมนุปยาทำทั้งหลายมีใจเป็นอใหญ่ทำเร็จแล้วด้วยใจนโมตั้งขึ้นทีหลังสาตาศิระกยักขอนโมแตลว่านอมน้อมถ้านอนอมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเขารบพุทธภาษมศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนก็เรียกว่า สร้างหนโมอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนอยู่ที่ดวงใจทีนี้กระทู้กระทู้ก็มีอยู่สามกระทู้กระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจแต่กระทู้ทั้งหลายก็มีมโนโ ก, กระทู้กระทู้ใจเป็นของสําคัญว่าจะมาในคัมภีร์ไหนก็ตาม ทีขณิกายมหวาวัฏกะตามมัชฌิมวัฏกะตามมหาวัฏฏก็คือเป็นวัฏออกจากใจที่ก็วัฏกเปรอะว่าพูดยาวมหวาวัฏกเปรอว่าพูดหลายวัฏหลายตอนจินละวัฏกเปว่าพูดสั้นเอสวัฏก็เป็นยื่นลงมาอิเอตอเนียบาทย่นลงมาในสังขโหสังขโหไม่ยื่น ครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์สิ้นสมาธิปัญญาก็ย่นลงมาหาเอกนิบาตเหมือนกันเอกจิตเอกธรรมเหมือนกันเอกนิบาตของพระโสดารวันเอกจิตเอกธรรมของพระโสดารวันเอกจิตกธรรมของพระสัคขาพามีเอกจิตเอกธรรมของพระอนาคามีเอกจิตเอกธรรมของพระอาหังเอกจิตเอกธรรมของพระปิเสเอกจิตเอกธรรมของพระสมานต์พระไตรจ้า เจ้ามาพระพุทเจ้าเป็นขั้นที่หนึ่งเพราะมียานทชฟวทย์ต่างกันจุลศิลปนายทางพุทธศาสนามาให้เอาศิลป้ามัชชุมาศิลปหมายเอาศิลแปกมหาศิลหมายเอาศิลของสองร้อยี่สิเจ็ดของพระละหันศิลพระศรดาบันศิลป์สัพพะามีศิลอนาคามีศิลพระละหันยิ่งหยอดกว่ากันเป็นลำดับไม่ใช่เสมอกันหมด ปัญญาเขาเหมือนกันสมายพิก็เหมือนกันทำแต่ละวันละบาทส่องต่อพระใิพ่านหมดทำกันเดียวกันคนหนึ่งไปฟังถึงพระสวสดาบวันคนหนึ่งไปฟังถึงพระกทาคารีคนหนึ่งไปฟังถึงพระอนาคารีคนหนึ่งไปฟังถึงพระอรหันคนหนึ่งฟังลงนรกเพราะเหตุใดเพระเหตุะหตละน้อมทําเข้ามาหาตน ไม่ใช่ น, อ น, น, อ น, อน้อมน้อมตนเขารับทำตอนอยู่ระดับใดก็เอาทำมาเป็นระดับของตัวเช่นพุโทโธเรียกพุโทโธหาพุโทโธบัตรพุโ ท, ทพธโธเบอร์เป็นตน้นนะกระต่ายตื่นตูมกันเดี๋ยวโกวหกพกรำกลมกันกูไปได้ไมาจากที่นั่นมึงก็ได้ไมาจากที่นี่เออจริงเสียงที่เดียวจริงเสียงชิบหายเสีงนเองนั่นจิงเสียงทางชิบหายอ่ะ ผลเอกในทางอพุทธศาสนาก็คือพระสัมมาสัพทธเจ้าใครจะไปดีเด่นกว่าพระสัมมาพระพทธเจ้าทั้งหลายเป็นไม่มีเลยเราไม่เชื่อเลยตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมากกว่าไม่สินแม่ตายเนี่ยเข้ามหาสมุทรเราก็ไม่เชื่อเลยนอกจากพระพุทธธรรมประสงค์ไปแล้วเราไม่เชื่อเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นธรรมระที่ปฏไต่ไม่ใช่อัตตาที่ปไต่ไม่ใช่โลกาที่ปไต่เป็นดิ่งของโลก นนดิงของโลกคืออะไรคือคำสอนของพุทธศาส์ชนาทำเป็นโลกกระบาคือคุ้มครองโลกมีสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้นั่นรวมมัดหมดแล้วในใจโลกะธาตุนะกฎหมายใดๆก็าตามรักที่ใดๆก็าตาม ถ้าปรน่เกรียวพระพุทธศาสนาแล้วไปไม่รอดเนอนะความเชื่อความเชื่อในพระพุทธศาสนามันเด่นลงไปลึกกว่าแผ่นดินแผ่นดินนะสองแสนสี่หมื่นโยชนันยนยน้นน้าไฟลมกาหนาะลงไปจะขึ้นอีกบวกเข้ากันอีก ยังไม่ถึงจิตใจที่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จิตใจถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลึกกว่านั้นหาประมาณไม่ได้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสด า, าจรรรึงเขารบธรรมพระบรมศาสดาประเดี๋ยพระยสอ์ทั้งหลายประเดีมากกว่าแม่ทิพย์แม่ใจในท้องมาหาสมุทรจะมาสวดถอนพระสุปฏิปันูให้ลงเป็นโลดีย่อมเดินไปไม่ได้ เหตุฉะนั้นพระบรมาศาสดาทั้งหลายจึงเคารพทำศัพทรร์มโมคุลกาสัพโตควรเคารพพระศัมท์ทำใดๆในๆใจโรกาเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นพูดซ้าๆซากๆอยู่ ก, ก็เพราะมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นก็ต้องพูดซ้ํำๆซากๆอยู่ ไม่พูดอีกก็จริงอีกเราจะสําคัญเอาภาคภาคสูงกว่าเราหรือไม่สูงก็าตามเราจะสําคัญหรือไม่สําคัญอาพุทธศาสานาดีเด่นหรือไม่ดีเด่นก็าตามเพราะพุทธศาสานาโก็ดีเดนอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาจึงยืนยันว่าอกาลิโกไม่นิยมการไม่นิยมเวลา ดอกบัวสีเหลาก็ามีอยู่ทุกการทุกเวลาทุกย ท, ทุกสมัยด้วยนะไม่มีแต่ช่างพุทธกาลเนอนะนะทุกวันนี้ก็มีอยู่ดอกบัวสีเหลาดอกบัวใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิดอกเสมอนม้ําก็เสมอนม้ําเต็มภูมิดอกอตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิ ดอกบัวปอเดียวก็เปรียบเหมือนคนในโลกร่วมกันแต่ละดอกก็แตละลายเขางมดคลในโลกผู้ที่เกิดมาในวัฏสงสารเราจะตีคุณค่าว่าอยู่ระดับเดียวกันหมดมันก็ไม่ถูกเนอะบางท่านก็พพุทธศาสนามาหลายพระองค์แล้วบาลีแก่ไดาแล้ว จะทราบว่าบาลมีแก่กล้าหรือไม่นั้นก็ทรงสอบถามตูตนดูเถิดถ้าตนประพฤติพมจรรย์เพื่อราบสักการะอะไรต่ออะไรก็เรียกว่าบารมียังไม่แก่กล้าเน้อถ้าหากว่าตนเห็นภัยในวัชราวงสามอย่างเต็มที่อันนั้นบารมีแก่กล้ามาแล้วเน้อ ถ้าแต่บริกรรมพุทธโธก็มีน้ำหนักกว่ากันเนอร์มัดแต่ละมัดเนยมัดคู้มีกำลังมากกับมัดคู้มีกำลังน้อยมันก็เกิดกันนั่นสตปิปัญญาก็โดยในกรรมฐานอันเดียวกันคนหนึ่งไปลึกไปกว่ากว่ายุกหน่อพองหนอ่อยุกหน่อพองหน่ออย่างนี้บางท่านพอปฏิกรรมเห็นยุกหน่อพองหน่อเกิดดับอยูกพิจารณาลงตัว อ, อนิจจังด้วยคําบริกรรมเ่ายุกหน่อพองหน้อนี่เป็นครับ วจีสังขารไจ่ฉิตสังขารหนอคําที่บลิกรรมเห็นความเกิดขึ้นและแปรปวนและแปรสลายแห่งความที่ฝ่าโลกอายุขหนอพองหนอทักลงสู่ใจรักอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาแกต้ามาแล้วนะเออน้อนะนะกรรมฐานอันเดียวกันแต่ละวระบาศมันตีความหมายลึกซึ้งกว่ากันมากเช่นบางท่านกับเลโชละนังและทางอรติอย่างนี้ก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนา ทนายจึงแตกฐานเนี่ยปิสัมพันธ์สี่ล่านั่นก็เพราะปัญญาแก่ทราบ ก, กันนะบางท่านก็บอกว่าเออเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออเออครับพอแล้วนะเขาเอาไปกินแล้วพอหลังเขายังไม่ได้เดินจะพรมภาวนาอีกซด้วยนะก็เห็นได้พัคทางหยยะพารูาุ้จิริยะนะ่นเออก็เห็นได้ก็เพราะเห็นว่าท่านสร้างบาลีแก่ต้ามาแล้วในขั้งพระเจ้ากัสปะนั่นคะรับเดียวท่านนั่นนะ ถ้าเป็นดอกบัวก็เป็นดอกบัวตูมใกล้กจะบานเลยนะก็ได้รับรัศมีญญกวบานเลยนะดอกบัวอย่าไปน้ําจะไปดึงแค่เพียไหนก็ขาดทิ้งมึงทำไ ม, มำไม่โผลมึงทํำไมไม่โผลดึงขึ้นมาแล้วก็ขาดทิ้ง <c oughs> นั่นนั่นนั่นในท่นจึงว่าพรเชา ร, า ช, รเชาตาพัจโยพรเรชาสําคัญอพรเรชาต า, าพาตัจโยเป็นคำกล่าพรเรชาที่สร้างดีก็มีสร้างเัื่อก็มี ปัจฉาชาปาปะเทียวปัจฉาชาสร้างมีก็มีสร้างชั่วก็มีมัคคุมัคคางอันว่าขนทางขนทางไปทางผิดก็มีขนทางไปทางถูกก็มีมันเป็นคำกลามนุษย์ก็เป็นคำกลามนุษย์ที่ทำดีมนุษย์ที่ทำชั่วมนุษย์ทำดีก็มีหลายชั้นมนุษย์ทำชั่วก็มีหลายชั้นอีกขนทางก็เหมือนกันขนทางก็เป็นคำกลาผลนทางไปทางดีก็มีขนทางไปตกเหวก็มีนั่หมูลากหมูมากลากไปรากไปทางดีมันก็ดีลากไปทางผิดมันก็ตกเหวตายนั่น พระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาที่ปตัตยถูขาดไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาเทศคำเก่าไม่ได้เทศคำใหม่เอสสะโมทนันโสนทำเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่พระพุทธพโมจันเพื่จิตบริสุทธิ์ดอกหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธดอกพมจัน เพื่อความเห็นวันสุดดอกหรือไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นประพฤติพรรมอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อความดับไม่มีเชื้อนั่นนะนะจะกรมุณน้มันตานนบุตรกับภาษาเรียบุตรถามกันตอบกันคนทุกแล้วก็ยังถามกันตอบกันอยู่เพราะเป็นธรรมชากัะฉาไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมัชา ไม่ไม่แค่ไม่แค่ทำมัจฉากับชอบ่อเหมือนพวกเราเนี่ยพวกกเราก็าช่อกันตาดรรมตาแดงจักเป็นพระเวสสันดรพระองค์เจ้าสันใไม้หัวมัน ออกมากลูกลุกใหม่และหัวมันจักตังนี่เครื่องไตบูซ่าท่องซาดาเกตเก่าท่านก่อนุ่งนังเสือ้ออันเสื้อหลอกกอกออกทั้งเล็จเก็บมากหอยเป็นสังส้งค่าสัมมาเสตีก่อ น, นอนดูเหนือแผ่นดินได้บวมมีสา์ใบไม้ลวดห้องปูจักตีเวททั้ง ก, อนอนงากาน็น้อมน้ำมัตสการวายบวขาดนักเปลวไฟอันเหลื้งเหเงือ่อเพื่อเป็น กระเจ็าพุทธเจ้าไว้ทุกขําำเต่าเป็นนิจ ก, การสามมุาณลักษีมาตรกว่านี้แล้ําโมรานสามิษาความกินคนมอยู่กับว่าสำคัญมันสำคัญกับเทวีปัญญาเนื่อมนุษย์เนื่อชา้างเนื้อมา้า เนื้อหมีเนื้อเสือเหลืองเสือโค ก, กเสือดาวเนื้อรากกะสีเนื้งูเนื้อสุนัขท่านห้าบไม่ให้กินถ้าไปเห็นก็ดีหรือสงสั้ว่ามันเกียดกับีอย่าไปสัมผัสเออพระบรมศาสดา ทุกสุยังไงทันได้พิจารณาก่อนอย่าฉันเนื้อเน้อเดี๋ยวจะถูกเนื้องูเนื้อหมาเน้อเดี๋ยวจะถูกเนื้อมนุษย์เน้อเนื้อมนุษย์มันเป็นเนื้อคนกันเองไม่ควรขันเนื้อช้างเนื้อหมามันเป็นของพระบรมราชะเนื่องูถ้าเราไปอยู่ฝ่ามันถูกกินมันจะกัดเราเนื้อสัตลายก็เหมือนกันเนื้อหมาเป็นเนื้อ ทั้งที่สุดเอ ท, ทั้งหลายอย่าไปกินเนอ้ออบรมศรรราสธรบางท่านก็จะตรวปัญหาในเรื่องจินจึงในพูดอย่างนี้ความเลี้ยงชีวิตดังรวยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงองัรอบามศสสดาธรสอนไม่ไปเห็นเองไม่ไปยินเอง ม่มีู้บอกและเชื่อว่าทำเป็นจริงไม่สงสัยแะวางเกียบอย่าไปฉันเนื้อวุชิษะมางษะนี่มันท่านนี่มันท่านท่านไปฉันเข้ากับปลาถ้าเขาออกชื่อโพชนะอย่าไปฉันเน้อเราบงมาาลาโพชนะทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาออกชื่อโพษนะอย่าไปฉันเน้อ ได้ได้เห็นก็ดีได้ได้ยินก็ดีได้มีสงสัยได้รังเกียจก็ดีเธออย่าไปฉันเออถ้าไปฉันก็เป็นอาบัตทุกกฎทุกกรรมเกลืนนีเรื่องภายในภายในก็ทำมันก็กลมเกลื่กันอยู่นะปัจจุบันมีปัญหาวา พิจารณาอนิจจังทุกครั้งอนิจตาเอบกระลมหายใจเขาออกอยู่เขาพวกนั้นเขาตรวจมนหรือไม่ตอบง่ายๆว่าเขาตรวจอนั้นตลนตอดทั้งสุดหรือว่าในกลางวันกลางคืนบางท่านเขากระพฤติการาลมหายใจเขาออกยุดหนอพองหนออยู่ในกลางวันกลางคืนก็เือว่า เพราะนั้นเขาสวดกายคตาสติอยู่ไม่มีกลงวันกัางคืนเน้อผู้ใดภานาพุทโธพร้อมกําลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ผู้นั้นเขาสวดทีิฏฐิโสอยู่ไม่มีกลางวันกัางคืนเน้อคล้ายๆกับว่าสวดท่าชัเข่าสวดอยู่ไม่มีกลงวันกัางคืนอีกเหมือนกันผู้ใดผู้ภาวนาธรรมโมเป็นอารมณ์อยู่ กี่ังก่อนตรวจัดๆกระสุดถูกไ่มมีกังวันกลางคืนเนอนะทำแต่ในวัดใบาทมันแปลไปถึงแตกเหมือนชีวธรรมขันชีวนาจทาลานังอย่างนี้เป็นต้นคนทานมีกี่ชั้นบันพิษมีกี่ชั้นเพราะตะวันเป็นบัณพิตหรือไม่ก็เป็นบันพิษเพราะตะขาคามีเป็นบันพิษหรือไม่ก็เป็นบัณฑิตพราะนาคารมีก็เป็นบันพิตเหมือนกันพระอรหันต์ก็เป็นบัณพิษเหมือนกันพระพระเกศก็เป็นบัณพิตเหมือนกัน เ้ามาท่านพุเจ้าก็เป็นมหาบัรพิตเหมือนกันบัญญาจะหมายถึงอย่างนั้นมีบัญพิตมีปัญหาต่อเข้ามาว่านขั้นพุทธการนั่นท่านเรียนจบป .9 ไหมเราก็ขอตอบว่ามักสีผลสีนิพพานหนึ่งนั่นคือท่านเรียนถึงป .9 รัญญาเก้าประยชน์ยาจะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีคณะนะปริญญากําหนดด้วยการพิจารณาปหาและปัญญากําหนดรู้ด้วยการละเสียงปริญญาสามเขาจะอวดเก่งทางปัญญาพระพุทธศาสนาบอกปริญญาเก่งที่สุดพระพุทธศาสน า, าอวดดีทางจะออกโลก ชาโลกวัดดีทางจะสนองเวงสนองภัยกันอยู่ในวัฏองสารตกตรงเกล้าเป็นการอวดเวรภัยกันในโลกเป็นการอวดชั่วในโลกไม่ใช่อวดดีผู้อวดดีในทางพัตถุศาสตร์ก็คือสุพจนโหนสุยญาตะสามีจิตที่ไปถึงในทางดีก็คือสุพจโนสุยญายิสามีจิผู้่จะถึงในทางดีตามก่อนนั้นมาเข้าใจถึงในทางชั่วนั่นนั่นนั่ น, น, น สังคมนิยมในทางทั่วตํำกว่า น, นัานลงมาสังคมนิยมอ่านว่าสังคมนิยมสังคมนิยมทุกจักรพนโอชุบยรษามีจิตวงแห่งท ร, รกระถึกคือนักเทศท่ายาแสดงทมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอ้าเหตุผลนีา น, นำให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตตาธนาเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงทำเพราเห็นแย่ล้า ม่แสดงธรรมก็ทักในผู้อื่นคือว่าไม่ว่าตนเสียชีวผู้อื่นพุกธสุผู้เป็นองค์ขับธรรมมัจจต้งตั้งองค์ห้าอย่างไว้ในตนธรรมะตภานาในสงฆ์จะอานิส ง, งส์แห่งกันฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังฟัสงสิ่งในที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชักก็ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชักสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าจิตผู้ฟังก็ย่อมผ่องใสโดยเป็นกันตอ่อ อุทิานะใหม่นเฉลด้วยการให้ส่วนบุญทำบุญแล้วอุทิศหานผู้มาในหน้าภาพหรือท่าทางโลกชาตเรียกว่าปฏิภาใหม่ธรรมะสานะใหม่บนเฉลี่ด้วยการฟังธรรมธรรมเคยชะนาใหม่นเฉลือยด้วยการแสดงธรรมทุกุทุกกรรมการทำความเห็นไห้ตรงจะเป็นบุญแต่ละกองละกองเหมือนกันทรรมเไม่ควรอาเมสสะโมชามันเห็นหน้าเดียวเกินไปถ้าพูดอย่างนั้น เห็นหน้าเดียวเกินไปซื้อสมองไม่ควรทำอามิสักบูชาเขาว่า อ, อย่างนั้นเขาเห็นหน้าเดียวเขาอ่อนในการศึกษาข้อพูดอย่างนั้นล่ะเดอมาทางโดยทางที่ชอบจำเป็นเรววาก็จะเข้าสมาธิครู่เดียวแห่เราจะขึ้นไปบูชาผ้าเจดแก้วจุลมณีมันมีอยู่ในมลัยสูตร ท่านเป็นทหารแล้วท่านก็ยังเอาไปบูชาพราะเจ้าเจ้าจุล מנ ีอยู่อยู่พวกเรามันกลาดเกินครูไปก็เลยทุ่มเถียงเขียงงอนกันเราหน่าเบื่อมากบางท่านบอกว่าถ้าชีอนะไรเม่ไตรจะมาเกิดแล้วเออมาเกิดค้าินขนมเขาปโตแบบพวกเรากินขนมเขาชีอะรไรเมตไตรอะไรจะมาเกิดยังไม่ทันมาเมื่อพอสามเดือน ในท่านรู้สิทอีกเชื่อด้วยแต่พระ อ, องค์กรณนี้ผ่านมานี่นั่นเม ก, ก, กุ้งนันแมลงวันก็เชื่อตามล ร, ระดับมแมลงวันมแมลงพึ่งก็เชื่อตามลําดับมแมลงพึ่งมแมลงผู้ก็เหมือนกันอะไรอะไรในโลกก็เหมือนกันใครอยู่ในระดับใดก็ต้องอยู่ในระดับนั้น มันไม่เลื่อนชั้นพระทายาบรรจกชาคาเมนาคามีจิงสามารถจะเลื่อนชั้นได้กรรมขอ่นลงมาไม่แน่นอนเพราะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะเห็นใดก็เพราะกรรมจำแนกกัพเ่เ็นต่างกันกรรมวินาวัตติโลกูสัรโลกเป็นไปตามกรรมกรรมฝ่ายผู้สน ในทามว่าพุทธศาสนาก็หมายเอาพระอนาคามีส่วนฝ่ายที่เป็นอกุศลคือบังก็หมายถึงมหาเวสีนรกอารักขตมัสจะเป็นกุศลหรือไม่ก็จะเป็นชั้วคราวส่ว น, าววนอารัตตผลจะจับเป็นกุศลไม่ถูก ก็ข้ามไปแล้วข้ามบาปและบุญไปแล้วอันนี้ตานานเก่าวนี่ใครต้องการอยากเห็นพระโสดาบันจงเป็นพระสวดาบันเสียก่อนใครต้องการอยากเห็นพระสัจาคามีต้นก็ต้องเป็นพระสกจาคามีเสียก่อนใครต้องการอยากเห็นพระอนาคามีต้นก็ต้องเป็นพระอนาคามีเสียก่อนใครต้องการเห็นพระอรหันต์ต้นก็ต้องเป็นพระอรหันต์เสียก่อน ว่าจะไปทุ่มเสียงเกียงงอนกันก็เรื้อว่าไม่ถูกใครอยากใครอยากจะู้วย ก, กับเกลือก็ต้องคิดเกลือเสียก่อนไม่ต้องไปทุ่มเสียงกันใครอยากไปเห็นคนดื่มทุราต้องก็ต้องเลเสียก่อนใครอยากเห็นคนที่ไม่เล่นเลือดเล่นถ้าก็ต้องเล่นเสียก่อน ก็ผู้นั้นแหละเป็นผู้เห็นทำทุกสิ่งทุกอย่างเทิดยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำแต่ละบดระบาปของพุทธศาสนะเทิดลงในมโนโภาพของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเป็นจิตกนันในบาปก็เทิดลงในกายวายาใจ ว่าเป็นทุกน้กัรญาบาา ก, ก็เทศลงในกายสัจใจว่าเป็นเจ้าผูกัญญาบ่าก็เทศลงในภพทย์สีหรืออริยสัจสีถ้าเป็นจัญชาญาบาา ก, ก็เทศลงในรูปเวทนาสัญญาสงขารเงิน ญ, ญางถ้าเทศกันชาญาบาา ก, ก็ตาหูสมุกเืนกายใจถ้าเทศเป็นกกาญาบาก็ตาหูจมูกเลื่กายใจถ้าเทศกัญชาญบาก็เทศจนทำที่มีหมวดเจ็บปวดงเจ็นต้น สติความระลึกได้ธรรมวิเชยะความสอดส่องธรรมวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจปททัจจิตความสงบใจและอารมณ์สรรมที่ความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้อเุเบกขาความวางเฉยวางเฉยต่อสั้งขางนตั้งพวงอเุเบกขาเนี่ยพูดชงเป็นอเุเบกขาที่วางเฉยต่อทั้งขางนตั้งพวงเป็นเช่คู่เ่าข้าว มีปัญหาฝากเข้ามาว่ า, าพาาาาระพุทธศาสนาสอนให้อุเบกขาหนาเดียวหรือไม่ตอบว่าถ้าพระพุทธศาสนาสอนให้อุเบกขาหนาเดียวพระพุทธศาสนากวางทำยังไง ไ, ไม่ได้ไม่มีการสั่งสอนกันไม่มีการชักจูงกันไม่มีการลงโทษ ก, กันไม่มีการนิพหะ ก, กัน การปกครองถ้าขาดนิสหะและปัจจหะแล้วเป็นไปไม่ได้นิปาาสปัจจหะแปลว่าตอนไหนทำถูกก็ยกยอ่อตอนไหนทำผิดก็นิคหะก็ติเตียงหรืว่าตีตวนก็ถูกตีเลก็ตวนให้ถูกแต่ว่าติเตียนก็ถูกปริเอะหรือว่าตีตวนก็ถูกถ้ติเลก็ตวนให้ถูกเี็นไห แปดมืนสีนพันพะธรรมขันธ์ก็หนังหุ่นอยู่ได้รอดมันมีอยู่ถ้านไม่มีอยู่พระบรมาจาราก็เทียบไมาได้ไม่ใช่ท่านเอาของท่านรปเทศ่ยท่านเอาของเราเทียให้เราฟังเก้อผมของกบผมไม่มีครับผมของในขันไม่มีถ้าจะค่า เราก็คัดค้านไม่ไรของเรามีอยู่เรามาขนของด้วยฉันไม่มีครับขนของว่ผมไม่มีครับแล้วก็คัดค้านไม่ได้ก็มีอยู่ที่ตัวเราหมดท่านเป็นเพศได้ไม่มีอยู่นี้ที่ตัวเราท่านก็ไม่เพศดินดินก็ผมไม่มีก็ผมคนเ น, นื้อขนนังเนื้อกระดูกเนื้อกระดูกบ้าหัวใจแท้ฟังฝืนใต้กอดใช่ไหมใช่น้อยอหันใหม่อั น, ก น, น, นเกนะ่านั้นชาดบินเนอนั่พระบรมสารด ดล้เนนอเงี้ยมันพนน้าตามานานานามมันใส่วาน้ำมือมันถัน้าเนอะใที่ยังกายให้นอุ่นใครที่ยังกายให้ชุดโทมใครที่ยังกายให้สวรกวาดใครที่ผ่อานาย่อยนันก็ถักไปเนอก็ชี้ให้กับเราเนี่ยไม่ได้ชี้นี่นี่นี่ทำไมนะวะฉัน ช, ชี้แต่พวกเราเนี่ยไปถามว่าเออเชื่อของกผมไม่ไม่มีครับท่านเองอยู่นั่นเขื่อน หนังกับผมไม่มีครับนั่นนังหุ้มอยู่ในรอบนะั่นคัดข้านไม่ได้จริงนที่มีอยู่ในเราทำประเทศเออเที่โลกเที่กลัวเที่หลงโลกกวลวหลงของกัผมไม่มีหรือของที่ฉันไม่มีเราก็คัดข้านไม่ได้นั่นะถ้าเรายังละไม่ได้ถ้าเราละละถ้าเราพ้นไปได้เราก็คัดข้าน ไ, ได้ไม่มีในเราแต่ท่านก็ไม่ขู <c oughs> ่เพราท่านรู้จักว่าเราพ้นไปแล้วนะั่นะ ทำใจละพ้นละบาเทเพือ่อจะไม่มีกลางวันกลงคืนเนอไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินหนึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ําจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจริงจะมีเราพิจารณาลมลมจริงจะมีเราพิจารณาคุณพุทธคำสงฆ์พุทธคำสงฆ์ๆๆคุณคุณของพระพุทธธรรมปสงค์จึงจะมีไม่ใช่อย่างนั้นเนอะมันมีอยู่วันแล้วมันมีอยู่วันแล้วทาไมมันไม่มีอยู่ก่อนท่านก็บัญญัติไม่ได้นันนั่นนัๆๆ กันเทศถ้ายันลงมาก็เป็นสองกันอัตตริยาธรรมมาคือทำภายในที่ตัวเราพยัคฆ์ธรรมมาทำภายนอกท่านผู้อื่นชัตอื่นบุคคลอื่ น, น, นดินน้ำสายลมอื่นเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณอื่นทำภายในรูปเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณภายในอันเดียวกันเสมอหน้าก่อเกิดขึ้นแล้วก็ไปรปวนและแตกสลายน่นนะ แทบซับไปซับมาวนไปวนมาอยู่เหมือนกลงจับเพราะมันอยู่ที่ผู้ฟังกับอยู่ที่ผู้เทศจะเทศ่ไหนมันก็ไม่ไปมันก็อยู่กับผู้ฟังเช่นพระบรไม่่อยูููกกกััับผ้ฟงม น, น็ถเช่นพราตายศชาติสุขขาท่านกระเทือนใจรกชาติลาเลยนะคนหูหนวกอาจได้ยินคนตาบอดก็มองเห็นคนพิการ ก็มองเห็นคนหลังข้อมก็ทำให้หลังตรงหน้าต่างที่ติดก็เปิดออกทำไมถึงว่าอย่างนั้นว่าเป็นโุกคาราทิสานหรือธรรมาทิสานอยู่ในตัวชาติพิทุขาถูกวัดใจโลกธาตุเพราะใจโลกธาตุเต็มไปด้วยความเกิดแก่เก็บตายกัมปัญตีดินอยู่ที่นี่ก็ถูกทั้งอเมริกาด้วย ก็ถูกทุกคนลุกแพงด้วยทั้งใจโรคกระแทกด้วยเพราใจโลคกราตทเต็มไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมนักข้าพิจารณาอนิจจังทุกครังอนาตาก็ถูกหมดใจโรคกราตทเลยใจโรคกราตทก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอานาตานั่นนั่นถ้าเทศร่างกระดูกก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกครก็เต็มไปด้วยใจโรคกราแทเข้าะใจโรคกราตทเต็มไปด้วยร่างกระดูกเต็มไปด้วยหนังแต่พวกนี้เป็นธาตุดินนั่นสิ่งที่เป็นของแข็งก็เป็นธาตุดิน สิ่งที่เป็นของเหลวซึมเศ้าเขาเป็นธาตุน้ำสิ่งที่เป็นของพัดไปมาเขาเป็นธาตุลมสิ่งที่อบอุ่นและร้อนก็เป็นธาตุไฟหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมย่นลงมาในปัจจุบันเห็นชักถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครซึ่งความสงสัยไปได้พระทุกย่นลงมาหาเอกทุกพระอนิจจังย่นลงมาหาเอกนอนิจจัง ในปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานเอาเป็นตัวประกันถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะพ้นความสงสัยไปได้นั่นนั่นความตายในอดีตอนาคตเอาปัจจุบันเป็นพยานจับเอาตัวปัจจุบันเป็นชเชลยศึกปัจจุบันนันจยโยธรรมะผู้ใดทัาทำในปัจจุบันผู้นั้นมะ ง, งาอแงคลานแย่นั่นแล้วจะไม่กล่าวตูตนด้วยจะไม่กล่าวตูเพราะพุทธธรรมสงค์ด้วย ศีลก็ตัดสินลงในปัจจุบันสมาธิก็ทั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันนั่นเอกราเนีบาทเนอ้อนัน่ไม่ใช่ทุกเนียบาทไม่ใช่ติณเนียบาทไม่ใช่ปัญจการนียบาทไม่ใช่ทศกันีบาทไม่ใช่เจริะนียบาทไม่ใช่จตัาสีติศาจตสมัคขันธานุภาเวนะไม่ใช่แปดหมื่สีพระธรรมขันธ์ แต่เงินสีพะขันรรมขันก็ย่ำลงมาหาเอกกันนีบาดแล้วเนี่ยสัง็โ อ, อสังโหไม่สงเคราะห์นักทํามเอกก็มีทำไมพูดอย่างนี้นักทํามเอกต้อง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันวรวมละมาเป็นหนึ่งหมดแล้วแต่เราไปขยายก็ขยายออกตามเรื่องของหนึ่ง ใยายออกไปไก็ออกมาจากหนึ่งเหมือนกันนั่นเชือกเส้นเดียวยาวเหยียดทั่วทั้งใจโลกธาตุเมื่อเราเอามากองไว้ก็เป็นกองเดียวถ้าเราดึงออกไปยาวเหยียดทั่วทั้งใจโลกธาตุทั่วทั้งช่างขัตว์ใจโลกธาตุเหมือนกันเราย่นข้ามาก็เป็นเชือกเชือกกองเดียวนั่นศิลสมาธิปัญญาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่คนละมุมโลก สิระสวดบิบาลสมาธิปัญญาของพระสวสดาบั น, นสินสมาธิปัญญาของสัคตาคามีสินสมาธิปัญญาของพระอนาคามีสินสมาธิปัญญาของพระรหันสินสมาธิปัญญาของพระปัเจศินสมาธิปัญญาของพระสมานพุทธเจ้า ah <c oughs> เป็นขั้นที่หนึ่งน่นพระบรมาาศาสดาเราหายใจเข้าขั้งหนึ่งองค์ท่านหายใจเข้าขั้งหนึ่งหรือหายใจออกขั้งหนึ่งและลึกชาได้ตั้งแสนชาดล้านท่าด เ, เรานําไะได้องการ ถ้ามชาติเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่กังวลจะเป็นชาติไหนๆก็ตามเป็นทุกข์หมดแต่ว่าเขารู้จักชาติหรือไม่แต่ว่าเขาจําชาติได้หรือไม่เขาจําได้ทางสุขวิปัสสโกนิตใสเขาเป็นสุขวิปัสสโกเขาก็เอาปัญญามาตัดถิ่นเขานั่นนิตใสเขาสร้างสุขวิปัสสุขวิปัสสโกท่านนี้ใชู้ดสร้างโดยวิชรชนะเป็นโลปฏิสัมมิยสัพโตเขาเป็นไปแบบหนึ่งนะเมื่อผู้สร้าง สุขรสโกปัญญาเขาเก่งพระเจริญปัญญาสามส่วนสมถะส่วนเดียวนะลมให้ยใจเข้าก็ลึกถึงเห็นใจรักชัดแล้วเห็นต้ตตนลมกลางลมท้ายลมลมออกก็เหมือนกันหรือคณะคิดที่นึกคิดก็เหมือนกันเห็นความเกิดดับด้วยนั่งคำพูดก็เหมือนกันตาเห็นรูปกระทบแล้วรู้ว่ารูปอั น, นั้นอันนี้มันก็เป็นอนดีตไปแล้วเป็นอันนี้ดังมาแล้ว เหนอีกก็บอกว่าลูกอีกหูเสียงกินรถปพดะพะธรรมมก็อันเดียวกันเกิดขึ้นแล้วแปลปวนแล้วแกกสวายนี่ด้านปัญญาด้านสมาธิก็แค่ๆกับว่าเราพักเราทำงานพักทาไมพักก็ไม่ได้กำลังพักมากงานก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นนั่นเดินทางเหมือนกันถ้ามันพักวิทางก็ไม่ได้ถ้าม่พักก็ไม่ได้ มันเหนื่อยก็ตพักมากถ้าพักมากก็มาได้เพราะเดินทางยังไม่ไม่ถึงนั่นผลมาคนบอกว่าสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้ยืนยันกันโตเถียงกันเราไม่ลงเลยบางท่านบอกว่าภานาพุทธโธมันเป็นโลคีมันก็เป็นโลคีสีพราะติปัญญาของตนเป็นโลคีมันก็เป็นสีถ้าผู้อื่นน่าไม่ ถ้าพูดแล้วลึกถึงพุทโทอย่างนี้พุโทโธไม่พามาเกิดไม่พามาแก่ไม่พามาเก็บ ไ, ไ, ไม่พามาตายพุโทโธเป็นอนัตตาคุณเป็นคุณอันไม่เกิดไม่กับถ้าเขาปริญญาอย่าง น, ายยางนี้มันจะเป็นสมถะหรือมันก็เป็นวิปัสสนาของเขาอยู่ในตัวนั่นเป็นปัญญาสมยูรนั่นมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ละลายของบุคคลไม่อยู่ระดับเดียวกัน บางท่านก็ให้ทานรักษาสินพวนาเพื่ออามิ่พวกที่ประพฤติอย่างนี้ปกพราะบารมีของท่านเหล่านั้นยังอ่อนอยู่ก็จำเป็นจำไปสีมากขัานกล้วยตามกะละมันเถอะตามกะละมันเถอ ผู้นอนใจในวัฏฏะสงสารกับผู้นอนใจในลุ่มฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแม้ท่านมากล่าวตัวทัลล า, านี้่ทำโกเกนักโก้โก้เลยโกนน้โก้กต้องของเป็นของพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของเราอนั่นถ้าถือเป็นของเรามันก็หนักตายมีน้อยก็หนักมีมากก็หนักถ้าถือเป็นของเราถ้าถือเป็นของพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่เที่ยของท่านอะมันก็หมดเรื่องนั่น ถ้าถื็อามก็นับตายนั่ัอ น, อนสบายเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันในใจโกชิเนี่ยเราบูชาพระพุทธศาสาหมดใครที่งงก็อย่าบูชาทินั่นในใ ร, ร, ญญร ะ, ญญระในใตโกช่ยตลอดถึงสาหาเรามาทัอสังหาเรามาทก็ตามวิญญาณก็ทับก็ตามพระวิญญาณกทับก็ตามในใจโลกชาเนี่ยถ้าไปเจ้าจะบูชาพระพุทธาสนาแต่ผู้เดียว ถ้าไม่มีใครบูชาเขาอยากบูชาเน้อแล้วเขาองเขาบูชามันไม่เป็นภารกิจหรือไม่เป็นสิเขาก็แค่ของเขาอยู่เขาไม่ไ้จับูชาแล้วก็บูชาสิเราไม่รักเขาของเขามัเป็นภารกิจเขาก็ใช่ของเขาอยู่เราบูชาสิเราเข้าใจว่าในใจโลกธาติเป็นน้ำลายขอพระพุทธจพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรเขาพูดว่ทธรรมะสงฆ์ในที่หมายถึงอรัตะทอะระัตะธรอ หมายถึงอรรถะพุทหมายถึงอรรตะธรรมหมายถึงอรรตะสง์ไม่ได้หมายตำก่อนนั่นเป็นเงื่งเครื่องของท่านหมดท่นานวุ่นทิ้งแล้วแต่พวกเรามาแย่งกันนเพราะพวกเรายังไม่พน้นจากความหลวงของพวกเราจําเป็นก็ต้องแย่งกันกูได้น้อยมึงได้มากกูมีล่ามึงมียศการเสริญสาทุทุกเหลี่ยมทุกไล่แล้วก็น่าเบื่อเรามากเหมือนกันเยอะเนี่ ชนะเบื่อตนเองที่เคยลงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อชนะตนเองชนะก็ชนะกิเลศของตนแพ้ก็แพ้จากที่เรศของตนถ้าหวังชนะอันอื่นก็ยม่ตื่นโมหะเนี่ยปัญหาก็ยิ่งมากนั่งนั่งนั่งนั่นัถ้าหวังชนะนน <c oughs> ตนเองปัญหาก็ไม่มาก วันแรกเกี่ยวก เ, เป็นเองปัญหาก็ไม่มากถ้าวัต่อไ ป, อปวกว่า้ากโดยเฉพาะเรื่องหนักใจเราอยู่ที่ขอเร า, าพากันมาเราก็พูดสิเราเป็ น, นสภาดาวเครื่องตัวคนนั่ง <c oughs> <c oughs> ถูกไหมถ้าเราไปข้บันไดมาหาเครองคนเราก็นี่ก็อาบ้าอันนี้มาวัดที่สมมติว่าเราเรา แต่ไม่ใช่วัดเราดอกวัดพระพุทธศาสนาแต่สมมติว่าเรารรเราชัวข้าวเพราะเรามันด้จะชั่วเพื่อแก็พูดตามาจริงแล้วสอนเราเราก็สอนอย่างนี้เราพูดให้ท่านผู้อื่นฟังก็แปลว่าเราพูดเรื่องของเราให้ท่านผู้อื่นฟังไม่ใช่เราจะประเทศท่านผู้อื่นเราพูดถึงเรื่องของเราให้ท่านผู้อื่นฟังเดานึกอย่างนี้เราพิจารณาอย่างนี้จะพ้นหรือไม่พ้นเราก็พิจารณาอย่างนี้ จพ้นจากความหลงแล้วพ้นจากความหลงเราก็พิจารณาอย่างนี้เขาว่าพ้นก็คือพ้นจากความหลงคําว่าข้ามก็คือข้ามความหลงข้ามทะเลหลงข้ามทะเลหลงฝากกล้องเพื่อนพกมาลงพายขึ้นซูเอหาค่อยดูยจ้ามาแล้วเราไปากก้องเพื่อนพกเน้นซื้อกระเจ็พระอรหันต์เพิ่นใจสูงแล้วเขาจะเห็นมูอเข้าฝากกล้องเพื่อนพกนี่เหตตัว บอกอาจารยนว่าน้ำเวนน้ำไผ่น้ำสารพัดเลยน้ำกิ่นน้ำขำี่น้ำนางน้ำนอนสารพัดเลยก <c oughs> ินมือนี่มืออื่นเฮ้ว่าพระบัตคนสูบยาอดอยู่ในฝากเลยที่ส <c oughs> ิดกองทุกกองทุกแม่ตากเงินสร้างผู้ไดเห็ลกองทุกผู้นั้นรักคนทุกผู้ไรเห็นกองทุกผูกน้นั้นสร้างครับทุคน คนบางคนทุกข์วัต้องเห็นทุกข์ตะกอนเนี่มันจังเค็ดจังลาบมวยเห็นทุกข์จ้ามันก็พบเค็ดว่าลาบมันขวากูผู้นึ่งคอยสีผู้นึ่งอยู่เสมอละนั่นอย่าหดหัเมื่อใดที่จะนาเห็นสังขารนะั้นที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะน่ายในทุกเน้อนั่นแหละเป็นทางแห่งวิสุทธิ คือสี น, สนิสิธิสมาธิอุสุธิัญญาอุสุธิเนอะกลมกึืนกันอยนู่นั่นัคค้นพระบรมศาสดานักต้องเอกก็ไม่ต้องแทงดอกเพราะรักหมดแล้วจับอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันในขั้นไหนไหนก็ตามถ้าจะพ้นจากกิเลส นท่านในใดก็าตามก็ ค, มคิดปัจจุบันทําปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่คิดอดีตธรรมดีไม่ใช่คิดอนาคตธรรมอนาคตนั่งจะสิ้งความสงสัยก่ อ, อนไหนๆก็กเหมือนกันนั่งโกกาแห้งส้มโค้งควายเน่ า, นามันจะกุดหมอดเมี่ยนล่งแท่วันเดียวกระมูอเข้ามาลงหนังนี่เด้ เม่อนกับว่าไม่โกกาหแห้งต้องโค้งก้นเอาวะสัตว์มูห้ามมาหลงหนังกันเนี่ยฮะเนี่ยกระแต่ตัวดีๆขนาดมูอห้ามานันย่งกระจบัตยิ้มแฉกไปนั่นแหละกรมูอห้ามเป็นพี่บ้านเอาเจ้าของทุกคนทุกคนเนี่ยท่วาอย่างนี้กันคือพ้นอาจารย์อันนี้ไปก็เป็นพวกพระอาณาฆ่าไม่อออกจากคันเคจเป็นพระหลังนะเนาะพรอาณาฆ่าไม่ามาหลงหนังเนี่ย ถ้าเสายตนั่งหลงยูหนังหลงนังเลื่อยกจะของหลงหนังผัวเจ้ของต่้หาม่าลวงแล้วเมิ่อว่ลวงว่าลวงมาเบิดกันไม่ได้รักกันใน่ทั้งกล่ามาล้มไม่ได้ตัวกันไม่ได้จู่จู่หัวคนเงียบคนไม่ถือสาวตดาอื่นเวลาเมื่อเส้นหาเวละเมื่ออวบยจหมุกค่าขายก็้าประหารกับว่ามีค่าขายมารดก็ไม่มีฆ่าขาย จับเป็นเลยแม่จับที่ตัวข้าวพอเป็นอาหารกับพวกนี้ข้าวขายน้าเมากับว่วกนี้ข้าวขายยาพิษกับพวกนี้การข้าว ข, า, ขายเหล่านี้ทุพตปัณโนไม่ได้ประกอบละมาแล้วเว่นมาแล้วไม่ใช่ได้เลยเหมือนน้ำลายที่เว้นทิ้งนั่นถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็คือทุพตปัณโนถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นทุพตปัณโนแล้วใครถามตัวเองการสาดแยงผู้อื่นมีไหม ถ้ามีอย่าไคิดได้ใจก็ทําให้มันสายออกไปสักถ้าไม่มีก็อย่าให้มันมีนารร้องวิตกพยาบาทที่ตกวิหิงสาววิตกความเบียดเบียนการไม่วิตกความติในทางการพยาบาทว่ตกความติในทางพยาบาทวิหิงสาววิตกความติในทางเบียดเบียนไม่มีในพระอานาคามี แต่พระโสดาวันเมีโกรธอยู่บ้างแต่ไม่ถูกเวรเนอะมึงเถอะไม่มีในท่านโกรธอยู่ความโกรธของท่านไม่ถึงกับจะฆ่าจัดแท้ตายเช่นล่งเป็นต้นบ้างถ้าก็ตู้มตุต้มูุอยู่แล้วก็สําขันจนเป็นพระโสดาวันมันก็ไม่ถูกอนะัะนั่น บางท่านก็นอนสันเลือกให้เขาสำคัญออนะจนถังสื้ดาวันมันก็เสื้ดาวผีบ้านเสื้ดาวโซดาที่เขาเอาใส่ขวดไว้โซดามินบางท่านบางท่านก็บอกว่ า, ไปไ ว, าไปไว่พระพุทธไปไล่อิจ้าคุณ เป็นพ้าว่าอย่างนั้นเออพุทธโกพุทธคาราลาจาราเขารับเมพุทธให้เจ้าในพระปฏิมากรท่านก็จักเป็นพุทธคารวาตาด้วยในพระเยรีมีอยู่ถ้าไม่ใส่รองเท้าไปใกล้พุทธปฏิมากรในพระเยรีมีอยู่ ก็มาร่วมอยู่ในดรวงใจนี่แล้วพี่นอ้องเอ๋ยเออใจเป็นผู้เทศใจเป็นผู้สาผลของคิดผลของไก่ก็ไม่ยุ่ใจเนี่ยเพราะแตไปยุ่งมากกว่ามืองแถนด้วตสังเห็นในะปัจจุบันท่านสาย่างันมืดตายม้เนี่มืออื่นยังเห็นกับว่าเ ม, มีนมืดได้ที่แก่ก็เห็นมือนี่เหตุกับผลมายู่ห่างกันพ่อเก่า เหตุมืดตาผลก็เห็นหูเหตุรับผลก็มืดน่ะเหต์ก็ผลอยู่ห้างกันพอเก่าอยู่บนเดียวกันเหตุก็แปลว่ามัดแปลว่าพืชแปลว่ากรรมผลของเหตุกับผลของพืชผลของกรรมนี่จะทุกอิทธิพลของคิดใจวางไงย่ำย่ำไหนใจดีผลของใจดีกับมาย่ำไหนใจให้ผลของใจให้กับมาเนี่ยมืดเอื้อนบมกหมดมันจะมาน่เห็นก็ผลก็อยู่ตรงกันตัว อยู่ทางการขอเ่าตรงไหนแว่าสัจจปฏิเสธมรไม่พลาดไปใช่ไมักก็ไปว่าผลกบไปว่าเหตุว่าพ <speaking superhero> ืช like ว so ่ากรรมผลก็ไปว่าผลของเหตุผลของพื้ผลของกรรมไร่ต่างเหตุไปแล้วผลมอดก็สงสาได้รับเมื่อตาเราพอจะเห็นหูมันก็เห็นอยูอว่าอยงไรแนั้นขันนเฉยมอย่างไรไปยึกคันไห ก็แก่เขาโกลนพ้นโลนหัวออกพ่นว่ากัะเปู๋ตอกพ้นลุกเขาโกลนเหมือนยิ่แต่เขาล่มล่ำบัดขึ้นเขาไม่ก่อนเก่าน้องม่ยเขาเลยว่าอันนี้วิกันเดียวกันแล้วมันกระวนมากนะัเมื่อนะเมื่อใจพ้นกเมื่อแล้วขานเมื่อยอยู่เอาแล้วนอกมาน่อนอพนลมเป็นขานไ่นจะหนาเป็นแก่ใจะเป็แก่ ใหพักกาไปสูปสนะพี่น้องเอ้พกันรรางไรไปเตาขม่าผู้รักผูกอบัดเอาไมืได้ไมมัติดทบหายตายอะแม่ขนชื่หรู้ผมมีเ่อง้ไดี่นเปนโนะอแม่ขนเปวมีเครือไดทุกเป็นโกถาม้ามเบ้านปนเมีเรื่องี้ไดเาัพูดเสีย ผู้ดายงกับบแงแกนเลยอันนี้ผมไปวบ้านี่โน้บวกับแกนแล้วเข้าบ้านบานเพ่อนึงบ้าท่นกพอนพอนึงบาท่านกับ้าโลกอ่ะในบันดีเสนาอ่คู่นึงเป็นบ้ากินัมีงพูมันก็เป็นบ้ากินแกสอน้ําไส้ท่านนี่อันกัดอันเม่งมันเกียวเป็นบ้ากินเียนในบดีเสนบาสองบ้านเนี่ยตัวกอวลดันเลย์อัผมรู้ว่ามันเป็นไรันมองรู้ไง ต وب, ่ต้องกันบาวเข้าจนงคู่แล้วก็ลคู่วอกผมวอกันคมจะไปวอกเพราะว่าพวกศีบ้านเฮยเป็นแบบพวกเข้าเล้าเจ้าฟองขึ้นหลังได้ขึ้นไปได้เมื่อแล้วเขาเข้ามุงเ้ามัดมันกับบงยางดรอเวยแต่ยังว่าวอกหารกับหารลงอันเดียวอันตัวก็่ยังว่าวกหารกับวกหอนอันนั้นหอนกรล่นล่นลงมาหานึงหานกับล่นลงมาหานึนย่นลงมาหาพระพุทธพระท้าพระสงค์ใจ อาถรรอันอื่นมันบันเอเาออกศาสนาอุปนิสัยหลานเะยเนี่ยอาถรรพานาอนื่นเรื่องศาสนาคัมภีอันอื่นมันเป็นน่องเกี่กับศาสนาพุทธเยในถัวโดรู้ถัวดเลยรอกทั้ทากท้งสายไ้เรอกอันตัวอ่นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ยอดเด่นมันเอาขั้นของศาสนาอุนิสันกันจบอาจารย์ดยมีควเกลย